ตาคารวะสิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยการไม่สละที่พักเรื่อง ภิกษุณีบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าพวกดิฉันไม่ขนของออกมาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อที่พรรคถูกไฟไหม้จึงไม่ช่วยกันขนของ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่ คำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระไม่สละหลีก เดินพ้นบริเวณที่พักที่ไม่มีรั้วล้อมต้องอาบัติปาจิตตีย์โบท ภิกษุณีไม่สละห้องพักไม่ได้ติดประตูหลีกไปต้องอาบัติทุกกฎที่พักที่สละไม่สละไปต้องอาบัติทุก 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณี 6 ภิกษุณี 7 ภิกษุณีต้น 8 จบ 5 จิตตคารวรรคสิกขาบท 9 ว่า สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของ ฉะนั้นพวกภิกษุณีฉัพพคีจึงเรียนเดรัจฉาน ภิกษุทั้งหลายทูล ภิกษุณีใดเรียนเดรัจฉานวิชาต้องอาบัติจบสิกขาบทวิภังคำว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ ศิลปะวิธีญาอย่างใดอย่างหนึ่งภายนอกพระศาสนาที่ไม่มีประโยชน์คําว่าเรียนคือ 1 ภิกษุณีเรียน 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีเรียน พระภิกษุณีต้นบัญญัติ 9 จบ 5 จิตตาคารวรรคสิกขาบท 10 ว่าด้วยการสอนเดรัจฉานวิชาเรื่องภิกษุณีสอน ฉไหนพวกภิกษุณีฉัพพคีจึงสอนเดรัจฉานวิชาเหมือนหญิงครหัตผู้บริโภคกามเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตําหนิ ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค มิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทํา คำว่า ภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 10 จบจิตตากาลวรรค 5 จบ ว่าหมวดว่าด้วยอารามสิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการเข้าอารามโดยไม่บอกเรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้น เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ภิกษุทั้งหลายจึงตําหนิประณามโพนทนาว่าไฉนพวกภิกษุนี้จึงเข้ามาสู่อารามโดยไม่บอกให้ทราบผู้ภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูล ภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีเข้าไปสู่อารามโดยไม่บอกจริง แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกศีลขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติเพราะ พระคุณเจ้าทั้งหลายจากไปแล้วจึงไม่ไปอารามเมื่อภิกษุเหล่านั้นกลับมา พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติศีล อ1 ภิกษุณีได้ไม่บอกภิกษุที่มีอยู่ต้องอาบัติปาจิตตีย์เรื่องภิกษุณีไม่ขวานอารามจบสมัยนั้นภิกษุเหล่านั้นหลีกไปจากอาวาสนั้นแล้ว ภิกษุเนไม่บอกภิกษุที่มีอยู่ไม่เพลินเข้าอารามพวกเราไม่ได้บอกภิกษุที่มีอยู่เข้าอารามต้องอาบัติปาจิตตีย์ อนึ่งภิกษุณีใดรู้อยู่เข้าไปสู่อารามที่มีภิกษุโดยไม่บอกต้อง คือภิกษุนี้รู้เองคนเหล่าอื่นบอกเธอหรือภิกษุเหล่านั้นบอกอารามที่ชื่อว่ามี ภิกษุณีสําคัญว่ามี <c oughs> <outgoing> อารามที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีไม่แน่ใจเข้าไปสู่อาราม 3 ภิกษูนิเข้าไปเดินมองศีรษภิกษูนิผู้เข้าไปก่อน 4 5 ภิกษูนิเดินตามทางที่ผ่านไปอาราม 6 ภิกษูนิผู้เป็นใคร 7 8 ภิกษูนิวิก lived lived 9 ภิกษูนิต้นบัญหัสศ Comedy talking 1. Jan ว่าด้วยการด่าบริภาพภิกษุเรื่องพระกัปปิตกะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณโกตะคาม ออกไปเผาแล้วก่อสะถูปไว้ไม่ไกลที่พรรคของพระกัปปิตกะแล้วร่ําไห้ ท่านพระอุบาลีนำเรื่องนั้นไปอยู่คราวนั้นพวกภิกษุณีฉัพพคีเข้า เสือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลีแต่เช้าพวกเห็นท่านเดินเที่ยวอยู่กล่าวกันอย่างนี้อยู่ใครคณะที่นําการของพวกเราไปบอกครั้นว่าพระคุณเจ้าการ ฉะนั้นจึงนําแผนการของเราไปบอกเล่าบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประณามโพนทนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีชาภคีจึงด่าพระคุณ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุเนฌัภคีด่าอุบาลีจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้า แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติข้อภิกษุณีใดด่าหรือบริภาว่าก็ใดคือผู้ นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาบริพาชคือแสดงอาการที่น่ากลัวต้องอาบัติปาจิตติ อุปสัมบันภิกษุณีไม่แน่ใจด่าหรือบริภาต้องอาบัติปาจิตตีย์อุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันด่าหรือบริภาต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกกฏ อนุปัสสัมปันนิภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปัสสัมปันดาหรือบริภาคต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุณี เรื่องภิกษุณีจันทกาลีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวัน ต่อมาภิกษุณีทุลนันธาเดินทางไปยังหมู่บ้านด้วยธุระบางอย่างภิกษุณีสงฆ์พอ ไม่ลุกรับบาตรและจีวรไม่เอาน้ําเดิมต้อนรับภิกษุณีทุลนันธาได้กล่าวกับภิกษุณีจันทกาลีนั้นดังนี้ว่าเมื่อฉันกําลัง <ม. S 1> เพราะเหตุไรเธอจึงไม่มีที่พึ่งภิกษุณีจันทกาลีตอบว่าแม่เจ้าภิกษุณีเหล่านี้เข้าใจว่าดิฉัน บรรดาภิกษุนิผู้มักน้อยพากันตําหนิประณามโพนทนาว่าฉะ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 แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็ นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่หรือ บริพาภิภิกษุณีหลายรูปภิกษุณีรูปเดียวหรืออนุปสัมบันต้องอาบัติทุก ว่าด้วยการฉันของเภสของฉันเมื่อห้ามภัตตาหารแล้วเรื่องภิกษุณี บางพวกนําบิณฑบาตกลับไปครั้งนั้นพราหมณ์นั้นได้กล่าวกับเพื่อนบ้านผู้คุ้นเคยดังนี้ว่านายทั้งหลายเราเลี้ยงภิกษุณีให้อิ่มหนําแล้ว บางพวกก็นําบิณฑบาตกลับไปพราหมณ์ตําหนิประณามโพนทนาว่าไฉนพวกภิกษุณีชั้นที่เรือนเราแล้ว ได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุ พระผู้มีพระ แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้ คำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะคือได้ 3 ท้าวยกอยู่ในหัตถบาทน้อมถวาย 4 ภิกษุณีบอกห้ามที่ของเขียวคือยกเว้นโภชนะ 5 ข้าวต้มยามกาลิกสัตตหากาลิกและยาวชิวิกนอกของเขียวที่ของฉันได้แก่โภชนะ 5 อย่างคือข้าวสุกขนมสดปลาเนื้อภิกษุณีรับ ฉันต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุกๆคำเกลือบทภาชณีติกะปาจิตตีย์ได้รับนิมนต์แล้วภิกษุณี <t ok given color> <c oughs> ทุกขะทุกกดภิกษุณีรับประเคนยามกาลิสัตตหากาลิยาวชีวิกเพื่อเป็นอาหาร ภาภิกษุณีชั้นของที่เป็น 6 ภิกษุณี 7 ภิกษุณีต้น 4 จบ 6 อารามวรรคสิกขาบท 5 ว่าด้วยความหวง สมัยนั้นพระผู้อยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงรูปหนึ่งเที่ยวบินทบาตในตรอกแห่งหนึ่งในกรุงสาวัตถีเข้าๆก็ ทำอย่างไรภิกษุณีอื่นๆจึงจะไม่มาจึงเข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลาย ครั้งนั้นภิกษุณีนั้นบอกเรื่องนั้นให้คนทั้งหลายทราบคนทั้ง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 พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดหวงตระกูลต้องอาบัติปาจิตตีย์เรื่องภิกษุณี ได้แก่ตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพทย์ตระกูลสูตที่ชื่อว่าหวง 2 ภิกษุณีวิคนจริต 3 ภิกษุณีต้นบัญญัติ 5 จบ 6 อารามวรรคสิกขาบท 6 ว่าด้วยการอยู่จํา ภิกษุณีหลายรูปออกพรรษาแล้วในอาวาสใกล้หมู่บ้าน ในไหนพวกภิกษุณีจึงจําพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มี ภิกษุณีใดจำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีย์ อาวาทที่ชื่อว่าไม่มีภิกษุได้แก่อาวาทที่ คือ 1 ภิกษุณีจำพรรษาศึกมรณภาพหรือเข้า 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณีต้น 6 จบ 6 อารามวรรค 7 ว่าเรื่อง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 พวกเรายังไม่ได้ปวารณา ลำดับนั้นพระผู้ว่าภิกษุทราบว่าพวกภิกษุณีจำพรรษาแล้วไม่ ภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทํา เรื่องจบสิกขาบทวิภังใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีมีอธิบาย ภิกษุณีพอ 3 คือด้วยได้เห็นด้วยได้ยินหรือด้วยระแวงสงสัยต้อง ภิกษุณีต้นบรรยัติ 7 จบภิกอารามวรรค 8 ว่าด้วยการไม่ไปรับโอวาท ภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวกับพวกภิกษุณีชาภคีดังนี้ว่า ครั้งแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายว่า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายเฉไนพวกภิกษุเนฉัพพคีไม่ไปรับโอวาทเล่า ก็ภิกษุณีใดไม่ไปรับโอวาทหรือทําเป็นเหตุอยู่ร่วมกันต้องอาบัติปาจิตตีย์เรื่องภิกษุณิฉัพพคีจบสิกขาบทวิภังคําว่าก็ใดคือผู้ใด ที่ชื่อว่า 8 ประการที่ชื่อว่าทําเป็นเหตุอยู่ร่วมกันได้แก่คําที่ทําร่วมกันอุทเทที่สวดร่วมกันความ 2 ภิกษุณีแสวงหาแล้วแต่ 8 จบ 6 อารามวรรคสิกขาบทที่ 9 ว่าด้วยการไม่ถาม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 ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีไม่ถามอุบาสก หรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้ว 2 อย่างจากภิกษุ 1 การ 1 ผู้ฝ่าฝืนทํา 2 อย่างนั้นเรื่อง คำคือทุกวันอุโบสถที่ชื่อว่าคืออุโบสถวัน 14 ค่ําและอุโบสถวัน 15 ค่ําที่ชื่อว่าโอวาทได้แก่คฤธรรมว่าเราจะบ้างจะไม่ขอบ้างต้องอาบัติ 1 ภิกษุณีไม่ถามอุโบสถและไม่ขอโอวาทในเมื่อ 2 ภิกษุณีแสวง 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณี 6 ภิกษุณีต้น 9 จบ 6 อารามวรรค 10 ว่า สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจดวัน 2 ต่อ 2 กับชายลําดับนั้นชาย เธอจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้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 อยู่กันอยอยอย 2 ต่อ 2 กับบุรุษเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้มิได้ทํา นิพพาน 2 ต่อ 2 กับชายต้องรูป 1 จบสิกขาบทวิภังคำว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่ ที่ชื่อว่าในร่มผ้าได้แก่บริเวณใต้ศรืลลง ที่ชื่อว่าชายได้แก่มนุษย์ผู้ชายไม่ เมื่อผ่าเสร็จต้องอาบภาระจิตติภิกษุณีสั่งว่าจงชะล้างต้อง อนาปัตติวาระพิสุนีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือหนึ่งภิกษุณีบอกสงฆ์หรือคณะแล้วจึงให้บ่งให้พาให้ชะ อน. 10 จบอาราม 6 จบ